จริงๆถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะเกิดสมาธินะแล้วก็สามารถจะเจริญสติไปได้ด้วยเวลานะใจเราเผลอคิดไปโน้นที่เป น, นี่เราก็รู้ทันว่าเผลอไปดึงจิตกลับมาอยู่กับการสวดมนต์ น, นั้นก็เป็นการเจริญสตินนะเพราะว่าสตินั้มันหมายถึงว่าความหมายนึ่คือการรู้ทันความคิดความรู้สึกนึกคิดช่วยทำาไมเรารู้ใจนะรู้ใจคนอื่นเนี่ยก็ไม่สำคัญเท่ากับรู้ใจตัวเองนะเราอยากจะรู้ใจคนอื่นหรือไม่ก็อยากจะให้คนอื่นมารู้ใจเรา อยากได้เพื่อนที่รู้ใจอยากได้แฟนที่รู้ใจอยากได้รูปที่รู้ใจหรือแม้แต่อยากได้เจ้านายที่รู้ใจนะแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้ใจตัวเองหรือเปล่าให้คนอื่นมารู้ใจเรานี่ยากนะแต่ว่าฝึกให้ตัวเองเนี่ยรู้ใจตัวเองเนี่ยมันง่ายกว่านะ<ม>ก็คือการเจริญสติ ซึ่งเราก็สามารถทำได้นะระหว่างที่เราสวดมนต์นี่แหละพนะอใจมันลืมว่ากาลังสวดมนต์ใจไปนึกถึงเรื่องที่บ้านนึกถึงพ่อที่ถึงแมนะ่นึกถึงกำหนดนัดหมายบ่ายนี้ว่าจะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อันนะั้นเรียกว่าเผลอสติอันนะั้นเรียกว่าลืมตัวแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ย จิตมันกลับมันนกับเนื้อตัวเราทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติระหว่างที่สวดมนต์นี่เราก็ฝึกไปได้นะฝึกให้ใจเนี่ยมีสติสติช่วยทำให้ใจเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับการฟังพระสาธยายมนต์นนะและตรงนี้แหละทำให้เกิดกุศลขึ้นมานะ นี่แหละที่มันเป็นสิีปมงคลนะอย่าไปอย่าไปหวังพึ่งสิีปมงคลจากคําคสวดอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยโอกาสที่พระสวดมนต์เนี่ยสำรวมกายวาจาใจเมื่อเราสํารวมกายวาจาใจนะกุศลก็เกิดขึ้นกับเราสลีปมงคลก็เกิดขึ้นกับเรานะ วันนี้ก็เป็นวันถือว่าเป็นวันบุญได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นวันมงคลวันมงคลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวนะไม่ได้อยู่ที่เลิกยามเลิกผ่านนาทาีมงคลในพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราได้มาทำความดีไม่ใช่แค่ทำความดีคนเดียวนะแต่มาร่วมกันทำความดีนะ ทำความดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นมงคลเมื่อนั้นก็เป็นเลือกดียามดีนะอย่างที่พระสวเมื่อสักครู่เนี่ยชัยันโตโพธิยามูเล่เนี่ยนะอันนี้เป็นภาษาบาลีความหมายคือว่าโลกดเลือกดียามดีนะมันเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทําความดีนะไม่ต้องไปให้หมอดูก็ได้นะไม่ต้องดูดวงดาวก็ได้ ทำความดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นเลิกดีเมื่อนั้นเป็นยามดีเมื่อนั้นก็เป็นเวลาที่เป็นมงคลนะอย่างนี้พวกเรามาร่วมกันทำความดีในวันนี้นะนัดหมายกันมาแทนที่จะไปเที่ยวกันแทนที่จะไปหาความสนุกสนานแล้วก็มากราบพระสมาทานศีลแล้วก็บางคนก็ตั้งใจมาถวายทาน ีาสก็ดีทาน ก, ก็ดีก็เป็นบุญและถ้าเรานะใช้โอกาสนี้เนะจริญสติบำเป็นภาวนาอย่างที่ได้แนะนำมาสักครู่นียนะนั่นแหละเลิกดียามดีหรือว่าเวลาเป็นมงคลก็เกิดขึ้นรวมทั้งตั้งใจฟังธรรมด้วยนะเมื่อที่พระได้สวนนะ มงคลสูตรสามประการก็มีข้อหนึ่งบอกว่าการเลนะธรรมสวนงการฟังธรรมทางการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะมงคลอันสูงสุดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราได้ของดีจากหลวงพ่อจากเกจิอาจารย์นะจะเป็นน้ำมนต์ก็ดีนะจะเป็น เครื่องรางของครั้งก็ดีพระเครื่องก็ดีก็ไม่ใช่มงคลที่ประเสริฐที่วิเศษสุดเท่ากับการที่เราทําความดี mm. เช่นเรามาฟังธรรมนะกาเลนะธรรมะสาวนังเนี่ยเอตัมมังคามุตต ม, มังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดข้อห น, นึ่งอัตมา ได้เดินทางมาประเทศอิสาราเอลนะวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่แล้วนะแล้วก็ก็จะอยู่อีกสองวันแล้วก็จะเดินทางกลับเมืองไทยแต่ว่าไปตรงไม่ไดนะ้ต้องกลับไปที่ประเทศฮอลแลนด์แล้วก็มาทางนั้นนะมาทางไหนก็กลับทางนั้นเพราะว่าเพราะว่าค่าตั๋วมันถูกกว่าบินตรงไปเลยนะก็ไปตั้งหลัก ก่อนจะกลับเมืองไทยก็ไปตั้งหลักที่อัสดัมก่อนแล้วก็ค่อยบินนะมายุโรปได้เกือบสี่อาทิตย์ละแล้วก็ทางทันทูดไดซาวัตามาเดินทางมายุโรปนะก็นิมนต์ต่อมาที่นี่นะซึ่งก็สะดวกนะมาอยู่ที่ี่ก็สะดวกนะก็ได้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนประเทศอิสราเอลได้ยินชื่อมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะ แล้วก็ได้ฟังข่าวพายเกี่ยวกับประเทศซอุดีาระเบียในใจก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่ต้องระมัดระวังอันตรายนะเพราะว่าความรุนแรงหรือว่าร ะ, ะเบิดนะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่มาถึงนี้แล้วก็พบว่าก็สมบเรียบร้อยดีนะดูไปแล้วนี่ปลอดภัยกว่าที่กรุงเทพนะมองไปที่ไหนไม่เห็นตำรวนเลยนะ อยู่ที่ประเทเนี่ยหมวดตำรวจเต็มหมดนะตามสิ่แยกอะไรต่างๆเจ้าหนี้ทงทีเขาบอกว่าเนี่ยอิสราเอลนี่นะ่ะน่ากลัวนะเกิดมีการก่อการร้ายนะหลายจุดหลายที่แต่ว่าเฉพาะเท่าที่เห็นมาสามสี่วันก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะแล้วก็ปลอดภัยกว่าที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นไม่มปลอดภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ น, ดดนนะเพราะว่าคนที่นี่ขับรถกันก็ดูดูจะมีระเบิดวิ น, นัย นะแล้วก็อันตรายจากวิจาชีพก็ทำเท่ากันก็น่าจะน้อยนะกว่าที่เมืองไทยไม่ทรบที่นี่กลางคืนนี้เดินนี่ปลอดภัยนะปลอดภัยนะเออถ้ากรุงเป็นเทมนี่ต่อซอกซอยไม่ปลอดภัยลยนะอันนี้ก็ก็ทำให้เออก็รู้สึกว่าหายห่วงนะแล้วก็ยินดีที่พวกเราได้ อ, อ่มาอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะแล้วก็เชื่อว่า ก็คงจะมีชีวิตที่ผาสุขสดกสบายพอสมควรธรรมะช่วยวพวกเราทุกคนเนี่ยก็ล้วแล้วแต่นะปรารถนาความสุขนะอยากห่างไกลจากความทุกข์การเดินทางมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะมาทํางานหรือว่ามาตั้งรกรากมามีครอบครัวที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากแรงผลักดันความปรารถนาที่จะมีความสุขนะ ความสุขส่วนหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นะผู้จ่าตัดว่าเนี่ยปฏิรูปประเทศวาโสโจังหมายถึงว่าการอยู่ในถิ่นประเทศที่เหมาะสมเนี่ยข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งประเทศที่เหมาะสมเนี่ยนี่ไม่ได้หมายว่าเป็นประเทศชาติอย่างนด้นวะหมายถึงว่าแต่ยังหมายถึงว่าถิ่นที่อยู่ด้วยถิ่นที่อยู่หรือว่าอยู่ในชุมชนที่ผู้คนเป็นคนดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อนี้ก็ทําให้ชุดเนี่ยมีความสุขความเจริญ การเลือกถิ่นที่อยู่นะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่จะทําให้คนเรามีความสุขได้แต่ความสุขที่เราไม่ได้เกิดจากที่อยู่เท่านั้นนะมันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราด้วยถ้าเรายังมีความสุขเนี่ยจะพึ่งพาสถานที่อย่างเดียวไม่พอเราต้องพึ่งพาการกระทําของเราด้วยนะข้อนี้ผูเจ้าก็ตัดเอาไว้แล้วนะว่า ที่จริงจะรอบเป็นบันไดสาขั้นของความสุขก็ได้ของชื่อที่พาสุขมีสข้อซึ่งพวกเราจะคุ้นเคยดีนะพร้อมตัดไว้ในโอวาทปาติโมดนะหนึ่งไม่ทำความชั่วสองทำความดีส า, ท ำ, า, สาทำกิจให้ผ่องใสนะคนบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนแค่สองคือละชั่วทำดีที่จริงผู้เจ้าสอนสามนะข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะมองข้ามไป คือการทำจิตให้ผ่องใสทั้งสามข้อเนี่ยนะเป็นขนทางหรือวิธีทางสู่ความสุขความเจริญของชีวิตนะสองข้อแรกเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะการไม่ทำชั่วนะการไม่ทำชั่วหมายความว่าอย่างไรนะไม่ง่ายคื ก, การรักษาศีลการมีศีลเนี่ยศีลห้าเนี่ย ถ้าเรามีศีลห้าเนี่ยมันก็มากําแพงที่ป้องกันไม่ให้เราทําความชั่วได้ง่ายเพียงแค่รักษาศีลห้าเนี่ยชีวิตก็จะมีความสุขเพราะว่าเมื่อเราไม่ทําชั่วเมื่อเราไม่ไปเบียดเบียนใครใการที่จะคนถูกคนอืนก็เบียดเบียนก็มีน้อยลงนะหรือว่าการที่จะทำจะทําร้ายตัวเองเพราะความเมามายเนื่องจากกินเหล้าเมาสุราเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุจะต้องเกิด ไม่เพียงแค่เราถือสี่ข้อเดียวนะข้อห้าเนี่ยไอ้ความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนเนี่ยที่เกิดขึ้นใครต่อใครเนี่ยมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เช่นถ้าเราไม่กินเหล้าเนี่ยการที่จะทะลอดเบาแวงกันเพราะความเมามายก็ไม่เกิดขึ้นการที่จะเกิดอุบัติเหตุจนพิการก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่เมาไมาย หรือว่าการที่จะป่วยเป็นโรคนะโรคสุราหรือหลังนะโรคความดันนะเราอีกสารพัดโรคที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากมันก็เกิดขึ้นกับเราไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่แตะต้องนะเหล้าสุรานะมีเงินเก็บนะเงินไม่เงินไม่หมดไปกับเหล้านะแล้วก็มีเรื่องมีแรงทํางานเพราะว่าอ่านะไม่เมาไมา้นะ อันเนี้ยเราลองพิจารณาดูนะเพียงแค่เรามีสี่ข้อเดียวคือสี่ข้อที่ห้าเนี่ยให้ความทุกข์ความเดืดเอดร้อนใจความไม่สบายใจไม่สบายใจเนี่ยก็จะลดลงไปเยอะเลยและถ้าเราไม่ได้ถือสี่งแค่ข้อเดียวเราถืออีกนะสี่ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดจากโกหกรวมถึงยงุยย่งตะแคงรั่ว หรือว่ า, าก่าวร้ายใช้คำหยาบนะมันก็จะลดความทุกข์ไปได้เยอะและความสุขก็จะตามมาเพราะถ้าเรารักษาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยมันก็ลดช่องทางที่เราจะไปเบียดเบียนคนอื่นไปสร้างความเดือดนรน้อนจะให้กับคนอื่นเมื่อเราไม่ไปทำความเดือดร้อนกับใครคนอื่นเ็จะมาทำความเดือดร้อนให้กับเราแก้แค้นเรามันก็น้อยลง อั น, น้ต้อจไม่ทำช่วยแล้วเนี่ยเราทำดีนะทำดีเริ่มด้วยการให้ทานนะการให้ทานนะทานนี่มาแสดงความมีน้ำใจไมตรีนะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ผาสุขเราต้องรู้จักให้ทานทานนี้ไม่แล้ต้องให้กับพระนะให้กับเพื่อนบ้านก็ได้นะคนไทยสมัยก่อนเนี่ย เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมีอะไรก็แบ่งปันกันพวกเรารู้จักหลวงพ่อปัญญาไนหะปัญญาอนุท่านะท่านมาอนุภาพไปได้หลายปีแล้วท่านเวา่าก่ตอนท่านเป็นเด็กนะอายุสิบขวบเนี่ยท่านบอกว่าประมาณ1 0 1สเเนี่ยท่านบอกว่ามีอย่างที่เบื่อมากเลยนะก็คือเวลาพ่อแม่เนี่ยเรียกให้ไปเอาอาหาร คือขนมเนี่ยไปแจกให้เพื่อนบ้านนะผมจะเบื่อมากเลยเพราะบ่อยกำลังเล่นอยู่ดีๆเนี่ยเอาพ่อเาเรียกเราเดี๋ยวแม่นียกว่าเอาขนมไปแจกเพื่อนบ้านนะเพราะว่าที่นั่นมีประเพณีนะคือมีอะไรนะก็มาแบ่งปันกันได้ทุเรียนลูปใหญ่มาก็ทำนะข้าเหนียวทุเรียนนะได้ปลาตัวใหญ่มาก็มาแบ่งก็ทำ ทำแกงขึ้นหม้อมาแจกกันแล้วทำแบบเป็นประจำนะจนเบื่อตาวิสัยเด็กแต่พวกเาว่านะเวลามีปัญหาอะไรนะอย่างเช่นในหมู่บ้านเนี่ยมีคนชอบขโมวยมว่ขโมยควายจากหมู่บ้านอื่นนะมาขโมยก็จะมาหาใครก็าามาหาโยมพ่อของท่านบอกให้ช่วยหน่อยโยวงพ่อของท่านเนี่ยก็เพีอองนเน ย, ยงแต่ไปสืบหาสักหน่อยก็รู้แล้วว่าใคร แล้วก็บอกเขาว่าเอาควายเอาวัวมาคืนเท่าห น, นะโจนนี่ก็เชื่อนะเอามาคืนนะเพราะอะไรเพราะว่าเคยกินข้าวบ้านของโยมพ่อท่านหรือว่าเคยได้รับความเอื้อเฟือจากท่านนับถือน้ำใจนะของโยมพ่อนะเพราะโยมพ่อบอกวนะ่าเอามาคืนซะก็ก็มาคืนนะใครจะกันวัวควายของโยมพ่อของท่านเนี่ยก็ไม่เคยมีใครมาขโมยเลยเพราะชาวบ้านเนี่ยเขานับถือน้ําใจ เขาเขารบนะเมื่อเราไปช่วยคนอื่นนะเราก็จะรับคามช่วยเหลือการดูแลความเมื่อเฟื้อเป็นการตอบแทนอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันหน้าก็ได้เราเคยฟังเรื่องราวคนที่เด็กคนหนึ่งมะเด็กที่เขายากจนนะพ่อแม่ไม่สบายนะแล้วก็ไม่มีเงินนะ่ะพ่อไม่สบายแม่ไม่สบายทำไง เขาต้องไปขโมยขโมยยาจากร้านขายยานะเพราะว่าเจ้าของร้านจับได้นะแต่ว่าเคราะหดีนะที่แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในในตลาดเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยเห็นก็เลยจ่ายเงินแทนให้นะพ่อค้าเจ้าของร้านขายยาก็เลยไม่เอาเรื่องแล้วก็ปล่อยเด็กไปเด็กก็ยาไปให้พ่อแม่ แล้วก็ไม่ได้เจอนอีกเลยนะสองคนเนี้เด็กนะกับคนที่ช่วยเหลือเด็กเอาไว้พาไปสามสิบปีเนี่ยนะปรากว่าแม่ค้าคนที่ขายไ๋วยเตี๋ยวเนี่ยคนที่เอาเงินไปช่วยเด็กเนี่ยนะป่วยหนักนะลูกสาวก็พาไปส่งโรงพยาบาลเพบว่าเป็นโรคปัวใจต้องผ่าตัดนะผ่าตัดหัวใจนะก็สําเร็จนะแต่ปรากว่า ค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ารักษาเนี่ยแพงมากเลยหลายแสนลูกสาวไม่มีปัญญาจ่ายตัวคนไข้ก็ไม่มีปัญญาจ่ายนะทํงานก็เลยไปปรึกษาสำนักสงฆเคราะห์นะในโรงพยาบาล น, นะเขามีนะ้มีนบริการที่อยู่แล้วก็รอกว่าเรื่องก็ไปถึงหูกูของหมอนะหมอพอทราบเรื่องเนี่ยนะ ก็ช่วยปอกกว่าไม่ต้องจ่ายเงินนะลูกสาวเนี่ยก็สามารถพาแม่กลับกลับบ้านได้ลูกสาวก็แปลกใจนะว่าทำไมโรงเรียนมันไม่เรียกเก็บเงินบอกกัว่าไปทราบความจริงว่ามีคนจ่ายให้แล้วคนที่จ่ายให้แล้วเป็นใครรู้ไหมหมอหมอคนที่ผ่าตัด หมอผ่าตัดเนี่ยเขาจ่ายเพ่ออะไรเพราะเป็นคนเดียวกับเด็กคนนั้นเมื่อสามสิบปีที่แล้วหมอเนี่ยพอเห็นชื่อพอเห็นชื่อคนไข้นะนแล้วก็รู้ว่าอยู่บ้านไหนเนี่ยแกก็จาได้เพราะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากแม่ค้าขายรติยวแล้วเนี่ยเขาก็จาไว้ไม่ลืมเลยแล้วพอเขาได้เรียนต่อจนเป็นหมอนะ เขาก็ดีใจที่ได้มีโอกาสาได้เจอคนไข้คนนี้ซึ่งเคยช่วยเขาไว้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยจ่ายเงินให้หมดเลย่ากลายเป็นว่าความดีของแม่ค้าขายผัดเตี๋ยนี่ที่ทำเอาไว้เนี่ยมันส่งผล น, นะถึงแม้จะใช้เวลานานหมอยนะคือสามสิบปีแต่มันก็ส่งผล น, นะถ้าคนเราเนี่ยบางครั้งที่ว่าโชคช่วยแต่ที่จริงอาจจะไม่ใช่โชคก็ได้นะ แต่เป็นพราะความดีที่เราได้ทําเอาไวนะ้ความดีบางอย่าง ก, ก็ให้ผลนานหน่อยกว่าจะออกผลแต่ความดีบางอย่าง ก, ก็ให้ผลเร็วนะมันมีเรื่องเล่าว่ามีคนใช้คนหนึ่งนะแกทํา ง, งานอยู่ในบ้านของของเศรษฐีอันนี้เกิดที่บมืองจีนนะแล้วก็เศรษฐีคนนี้มีเพื่อนนะเป็นสินแส วันหนึ่งสินแสก็มาเยี่ยมเศรษฐีก็มาเห็นคนใช้หญิงสาวคนนี้อายุก็ยังไม่มากนะแค่สิเจเห็นแล้วก็บอกซิ บ, บอกเศรษฐีว่าเนี่ยดวงของผู้หญิงคนนี้จะอยู่ไม่นานอีไม่นานก็ตายเศรษฐีก็เลยสงสารนะเพราะว่าแต่ทิ้งบ้านเกิดมนอนมาได้หลายปีแล้ว ไหนๆจะตายแล้วนะก็อยากจะให้ไปเยี่ยมบ้านซะก่อนหรือไปตายที่บ้านก็ได้เพราะว่าจะได้เจอพ่อแม่ก็เลยบอกคนใช้ว่าเนี่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มาบ้านไม่ได้กลับไปบ้านานานแล้วน ะ, นะถึงเวลาควรจะกลับไปบ้านได้แล้วนะแล้วแล้วค่อยกลับมาใหม่หญิงสาวก็ดีใจนะจะได้กลับไปบ้านไม่รู้เลยนะว่าดวงของตัวเนี่ยมันกำลังจะหมดนะ สมัยก่อนต้องเดินกลับนะไม่มีรถเธอก็เดินสมัยก่อนก็ปลอดภัยนะมันไม่มีอันตรายอะไรระหว่างที่เดินไปเนี่ยกลางทางก็ไปเจอหนองน้ำที่แห้งมีปลาเนี่ยนะมีปลาหลายตัวเนี่ยมันมันจมปรักมันปักมันก็แห้งแล้วล่ะนะมันกำลังจะตายเธอก็เลยช่วยชีวิตมันเอาไว้นะเอามันไปลงบ่อลงสระที่อื่น แ, แล้วเธอก็เดินทางต่อไปกลับไปถึงบ้านพ่อแม่ก็ดีใจนะก็อยู่เป็นเดือนนะบอกว่าไม่ตายักตียตัวตัวก็ไม่รู้นะตัวตัวคิดว่าเอออยู่ฉันอยู่เป็นเดือนแล้วถึงเวลาจะต้องกลับไปบ้านเสตียแล้วก็เลยเดินทางกลับไปเศษตีก็แปลกใจว่าทําไมไม่ตายเพราะว่าปกติเนี่ยสินแสนเนี่ยทำนายใครไม่เคยพลาดสินแสนเองพอมาถึง ท, ที่บ้านเสตีก็แปลกใจที่เด็กคนนี้ไม่ตาย เลยถามว่าเนี่ยช่วงที่กลับไปนี่เธอทําอะไรบ้างหรือเปล่าเธอก็เล่าไปตามภาษานะโดยที่ไม่รู้อะไรนะเพราะว่าเนี่ยตอนที่เดินกลับบ้านเนี่ยนะเคยยื้อข้างหนึ่งนะไปช่วยปลาที่มันมันมันกำลังจะตายนะช่วยให้มันเอาเอามันไปปล่อยในสระนะจินแสกเลยว่านี่แหละคุณพ่อเห็นนี่แหละนะที่ทําให้เธอมีชีวิตรอดต่อไปได้คือเธอได้ทําดี นะสร้างบุญสรางกุศลแม้ก็ต้องทำกับสัตว์เนี่ยนะมันก็มีอนิสงส์นะงนั้นการที่คนเราจะมีความสุขได้เนี่ยนะนอกจากไม่ทําชั่วเราต้องทําความดีด้วยทําความดีในที่นี้นะก็ทําได้หลายอย่างและอย่างที่ควรทําคือความเพื่อเฟื้อเผอแผ่ความมีน้ำใจนะเพราะน้ำใจที่เรามีเนี่ยนะมันจะไม่สูญเปล่า เคยมีปีม1หนึ่งแกเป็นผู้กำกับนะกองถ่ายสารคดีสารคดีนี่ก็ไปถ่ายทำในต่างจังหวัดอยู่ที่นั่นหลายวันก็คุ้นเคยกับชาว บ, บ้านดีวันนึงคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาเธอถือปลาพวงใหญ่เลยนะถือปลาพวงใหญ่เลยพอมาถึงกองถ่ายก็ถาม คนในกองถ่ายวาเนี่ยพวกเธอรูไ้ไหมไอปลาพวงเนี่ยทำไมจะกินได้นานนะทำไมจะกินได้นานคนในกองถ่ายก็แย่งกันตอบนะคนนึงก็บอกว่าเอาไปหมักอีกคนนึงบอกเอาไปตากแดดอีกคนนึงบอกว่าเอาไปทาส้มอีกคนหนึงบอกว่าเอาไปใส่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าผิดเลยไม่ถูกถ้าอยากกินปลาพวงนี่ให้ได้นานๆเนี่ย อเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านเนอะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านแล้วเนี่ยจะกินได้นานคนในกองทราก็แปลกใจนะถ้าไปกินเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านเนี่ยเราก็มีกินน้อยลงเสียนะแต่ว่าคนชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่นี่เป็นกูัวปัญญาชาวบ้านนะเพราะว่าเมื่อเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนะถึงเวลาเพื่อนบ้านเขามีปลาเขาก็มาแบ่งให้เรานะ ตอ น, น, นเนี่ยก็จะมีกินได้ตลอดปีอาจารย์พูดท้าบอกว่าเนี่ยถ้าเราได้อะไรมาแล้วเรากินคนเดียวนะยืดสีชั่วโมงมันก็กลนทีใช่ไหมแต่ถ้าเราไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนะมันจะอยู่ในใจเขานานเท่นานหร่านะบ่หนเดียวกันนะนะกินคนเดียวแล้วยืดสีชั่วโมงกันทีเนี่ยรือว่าไปแบ่งให้คนอื่นแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจเขานะ ดนการทําความดีเนี่ยสำคัญนะที่มันช่วยได้ให้เรามีความสุขแต่ครันี้เราไม่ทําชั่วเราไม่เราทําความดีแล้วเนี่ยนะคือมม้จะทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงแล้วก็มีความสุขแต่มันมีความทุกข์บางอย่างนะที่ทํายังไงก็หนีไม่พ้นนะยังไงก็ต้องเจอถึงแม้จะเป็นคนดีก็ต้องเจอ นะใช่นคำต่อว่าด่าทอเนี่ยนะใครๆก็ต้องเจอผู้ที่เจ้า ก, ก็ยังต้องประสบเลยนะคำใส่ร้ายคำนิ น, านทาอย่าไปคิดว่าทำดีแล้วเนี่ยจะไม่มีคนนินทานะหลายคนไม่เข้าใจนะเวลาถูกเกลื่อนหรือถูกคนอื่นนินทาก็เสียอกเสียใจนะว่าทําไมเราทำความดีนะแต่ยังมีคนต่อว่าเรา ที่จริงบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะถึงแม้ไม่มีคนทำไม่มีคนต่อว่ า, าเรื่องาเพียงแค่เขาไม่เห็นความดีของเราแล้วก็ทุกขละท่านทําความดีทำไมไม่มีคนเห็นนะคนที่บนแบบนี้เนี่ยควรจะรู้ว่าเป็โชคดีนะว่าที่ว่าเพียงแต่ไม่มีคนเห็นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยถึงแม้ทําดียิ่งกว่าเรากลับโดนใส่ร้ายก็มีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราทุกขง่ายนะ เพียงแค่เพื่อนไม่กดไลค์ให้ก็ทุกแล้วนะที่จริงชคดีนะ <S <S เขายัางไม่คอมเมนต์ไม่ว่าเราเนี่ยเขเป็นแค่ไม่กดไลค์นะทำความดีแค่ไหนเราก็ต้องทําใจนะว่าโพสอะไรไปเขาไม่กดไลค์ก็ได้ขนาดยังดีที่ก็ไม่ว่าเรานะนะอันเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยทําความดีแล้วเนี่ยหรือแม้ไม่ว่าเราจะถ่ายรูปดีแค่ไหนเนี่ยเขาไม่กดไลค์นี่ก็ธรรมดา เราต้องรู้จักนะฝึกใจเราให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดานอกจากคํกล่าว่าดาวทอและยิ่งยังอื่นนีกนะที่เราจะทำดีแค่ไหนก็ยังไม่พ้นเช่นความแก่นะความเจ็บความป่วยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระง เ, เป็นบรมศาสดาเป็นยอดนมนุษย์นะเป็นมหาบุรุษพระองค์ก็ยังมีความแก่ความป่วยไม่พ้นเลย แต่บางคนไม่เข้าใจนะพอพวกตัวเองเป็นมะเร็งก็ตีโปตีไฟย์ทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นฉันทำความดีฉันทำบุญให้ทานนะันเข้าวัดเข้าประเด็เข้าป่าแล้วทำไมต้องต้องเจอแบบนีนะ้นี่แสดงว่าไม่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนะเจอแบบนี้เนี่ยนะอย่างแรกต้องทำใจนะ ทำใจยอมรับมันเพราะถ้าเราไม่ไม่ยอมรับมันนะเราบ่นตีโพยตีพายนะเราก็จะทุกข์ใจทุกข์กายแม่พอนะทุกข์ใจด้วยคนเราเนี่ยถ้าจะทุกข์นะก็ควรจะทุกข์อย่างเดียวคือทุกข์กายอย่าให้ใจทุกข์ไปด้วยเวลาป่วยเนี่ยคนฉราเนี่ยป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเพราะถ้าใจป่วยแล้วนะเดี๋ยวมันจะ มีปัญหา อ, าอื่นๆตามมานะเช่นทํางานไม่ได้เสียงานอีกพอใจเสียแล้วนะมันก็ทําให้เสียงานไม่มีสมาธิไม่มีอารมณ์ทํางานเวลาเจอใครเจอลูกก็งงิดใส่เวลาเจอเพื่อนก็ต่อว่าเขาเขาพูดเขาหยอกล้อเราแต่เราเอารมณ์ก็จอยเราก็ไปด่าเขาเสียเพื่อนอีกนะ มันจะเสียเรื่องอตามมามากมายนะถ้าเราไม่รู้จักรักษาใจของเราให้ดีนะอย่ไปคิดว่าทำความดีแล้วเนี่ยมันจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะมันก็ต้องเจ็บต้องป่วยใช่ไหมรวมทั้งความทุกข์รมาร์เงินหายของหายรถเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนเป็นคนดีนะก็มีสิทธิ์เงินหายมีสิทธิ์ถูกโกงนะ ถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าคนที่ทำชั่วนะเงินหายของหายนะวันดีคืนดีน้ำท่วมพัดพาเอาทรัพย์สมบัติไปถ้าเราวางใจไม่ถูกนะไม่เพียงแต่เสียของใจก็เสียพอใจเสียแล้วกินแม่นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียนะ เสียใจเสียสุขภาพแล้วก็ตามมาเสียงานแล้วก็เสียเพื่อหรือเสียสมรรถภาพเสียน้อยสอย่างเลยนะถ้าทำใจไม่เป็นเนี่ยนะคนที่ทำความดีก็ดีอยู่แต่ว่าจะ ต, ต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกจิต ด, ด้วยนะด้วยเหตุ น, นี้เนี่ยผู้จัมตัด3ข้อนะวิธีแห่งความสุขไม่ทำชั่วทำความดีแล้วก็ฝึกจิต ฝึกจิตให้พองสายฝึกจิตให้ฉลาดนะเวลาเจอความทุกข์ก็ร่วมมันเป็นธรรมดาเวลาใครก็ต่อว่าด่าทอก็ร่วมก็ร่วมมันเป็นโลกธรรมมันเป็นโลกธรรมแปดนะโลกธรรมมี8ข้อนะสีค่คู่นะไม่มีใครหนีพ้นพระเจ้าหรือพ่อร้านทั้งหลายก็ต้องประสบคือได้ลาบก็เสื่อมลาบได้ยศก็เสื่อมยศ สารเสงก็ต้องเจออนินพานะแล้วก็สุขกับทุก็เป็นของคู่กันเฉะนั้นถ้าเรามีถ้าเราถ้าเรารู้จักทำใจว่ามันเป็นธรรมดานะเวลาจะป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ปวดนะเวลาของหายเราก็ร่วมเป็นธรรมดานยะ การฝึกจิตนเนี่ยนะมันจะช่วยทําให้ใจเราไม่ทุกข์เวล า, าเราเจอเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบเวลาเราเจอเหตุร้ายนะพวกเราเนี่ยรู้แล้ปรารถนาความสุขนะแต่ว่าไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างที่พูดมาเนี่ยคราวนี้มาเจอแล้วทำยังไงนะข้อแรกคือต้องรู้จักทําใจให้ปกติ ตอถ้าเราทำใจไม่ปกตินะเราบ่นทีโพยตีพายนะเราจะทำร้ายตัวเองเป็นการซ้าเติมตัวเองนะป่วยกายไม่พอป่วยใจด้วยเสียทรัพย์ไม่พอนะเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนตามมานะอันนี้เป็นหลักการข้อแรกเลยนะที่เราควรจะตระหนักไว้เมื่อเจอเหตุร้ายขึ้นมาหรือว่าเจอสิ่งที่ ไม่น่าพอใจทำงานแล้วเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวนะก็ให้มันเสียแต่งงานแต่ใจไม่เสียนะคนลาะเขาจะรักษาใจแบบนี้อันนี้น อ, อกจากเรารู้จักยอมรับความจริงแล้วเนี่ย วิธีการทําใจอย่างนี้นคือก็คือการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันคนเราทุกข์เพราะความคิดนะเงินหายเนี่ยไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่คิดถึงมันใช่ไหมคนเขาด่าว่าเราเนี่ยไม่ทุกข์นะแต่พอเราคิดถึงคําด่าว่านี่ทุกข์เลยใช่ไหมคนเราทุกข์เพราะความคิดนะอกหักแค่ไหนถ้าไม่คิดถึงเขาไม่ถึงไม่คิดถึงเรื่องนั้นทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหม แต่พอเราคิดเมื่อไรนี่ทุกเลยนะรถติดไม่ทําให้ทุกนะแต่พอเราไปคิดว่เาเดี๋ยวต้องไปงานไปทํางานสายเดี๋ยวผิดนัดเพื่อนเดี๋ยวไปประชุมชา้าเนี่ยทุกเลยงุหงิดเลยใช่ไหมและส่วนใหญ่เราส่วนใหญ่เราคิดเนี่ยไอความคิดที่ทําให้เราทุกเนี่ยมันเป็นความคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วสองเกี่ยวกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึง 90% อร์ซของความทุกข์ใจนะ ของผู้คนทุกวันนี้ ย, ยมลองพิจารณาดูดีนะมันเกิดจากการที่ใจเราเนี่ยไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือไปนึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นยังไงเสียใจโกรธแค้นโมโหรู้สึกผิดพูดไม่ดีกับพ่อแม่ผ่านไปเป็นปีแล้วก็ยังก็ยังเสียใจแม่หายยังรู้สึกผิดนะติดค้างใจนะบางคนผ่านไป30ปีก็ยัง เศร้าอย่างเสียใจอยู่เลยเมื่อเรานึกถึกเรามักจะเรามักจะเศร้าเสียใจหรือโกรธเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วและทุกครั้งที่เรากังวลทุกครั้งที่เราหนักใจเนี่ยเรามักจะมักจะเกิดขึ้นเพราะเราไปนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าไม่อยากกังวลไม่อยากหนักใจนะก็ อย่าเพิ่งไปนึกถึงเรื่องที่ยังมันไม่เกิดขึ้นให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่อยา่างโกรธไม่อย่างเสียใจนะก็เพียงแต่ไม่ต้องก็เพียงแต่ปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วให้จิตเราก็อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะตรงนี้แหละที่สติสงคัญมากสติช่วยทำให้จิตเรายัางกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะ และทำปัจจุบันให้ดีที่สุดหลายคนเป็นทุกข์นะเพราะว่ายากจนเพราะบางทีนึกไปถึงโน่นชาติที่แล้วชาติที่เราเราทำกรรมไม่ดีไว้มัง้งชาตินี้เราถึงจนชาติที่แล้วเราทาไม่ดีไว้มัง้งถึงหาคู่ไม่ได้สักทีนะคิดแบบนี้มันทำให้เราท้าทอแท้ผิดหวังทัดเ้าไม่ท้ทอแท้ภูมใจ แต่พุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าไม่สนใจนะว่าท <Okay. S 1> ่านไม่ค่อยให้ท่านไม่ค่อยความสนใจว่าอดีตมันเป็นอย่างไรอยู่ที่ปัจจุบันมากกว่าก็คือทำปัจจุบันที่ดีที่สุดนะของหายเสียใจทำไมมีประโยชน์อะไรทำไมเราไม่นั่งม่ น, นั่งพิจารณาว่าเออจะป้องกันไม่ให้มันหายต่อไปแต่อย่างไรนะเงินถูกโกงไปเสียใจ ไ, ได้ประโยชน์อะไร แต่ถ้าเราการที่จะเสียใจโมโหเราเอาพลังเอาเวลาเนี่ยมาพิจารณาว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะหาบทเรียนจากมันได้อย่างไรอันนี้ดีกว่านะอันนี้เรียกว่าทําปัจจุบันให้ดีก็คือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะความทุกเนี่ยนะมันมีประโยชน์กับเราเสมอนะถ้าเรารู้จักใช้ ไม่มาเจออะไรเนี่ยเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้เงินหายก็มีประโยชน์นะมันให้บทเรียนกับเราว่าต่อไปเราต้องระมัดระวังมันยังฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางเพราะถ้าเราปล่อยวางไม่เป็นเราก็ทุกข์แล้วเราอยากจะทุกข์ไหมถ้าเราไม่อยากทุกข์นะเราก็ต้องปล่อยวางนะ บางทีความสูญเสียเนี่ยมันสอนธรรมะกับเราเมื่อปีห้าสีน่นมีมีน้ำท่วมใหญ่นะในเมืองไทยเนี่ยพวกเราคงทราบดีตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพมีคนนับแสนนับล้านเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินไปจานวนมากน้ามันทำลายน้ำมันพัดพาเอารถเอารบสมบบตดไปหลายคนเสียทรัพย์ไม่พอนะ เสียใจตนเสียจริตหรือไม่ก็หนักกว่านั้นก็คือเสียชีวิตเพราะทำร้ายตัวเองค่าตัวตายอันนี้เรียว่าเติมตัวเองนี่รว่าไม่รักตัวเองแต่บางคนเนี่ยเขาก็ทำใจได้นะแล้วเขาไม่เพียงแต่ทำใจได้เขาได้ได้ของดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนหนึ่งเขาบอกว่า น้ำท่วมก็มาสอนเขานะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้ววันดีคืนดีน้ําก็พัดพาดไปวันดีคืนดีก็มีคนเอาไปวันดีคืนดีมันก็เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติคืนสู่ดินน้ํำลมไฟอธิบายวาคนที่คิดแบบนี้เนี่ยเขาได้กําไรนะเขาเสียทรัพย์แต่เขาได้ธรรมะเขาได้ปัญญาทรัพย์เนี่ยหาเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้ามีเงินใช่แต่ว่าปัญญาเนี่ยนะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้และถ้ามีปัญญามีธรรมะข้อนี้นะต่อไปเจอหนักกว่า น, นี้ก็จะไม่ทุกนะอันนี้เรียกว่าความรู้จักใช้ประโยชน์จากความจากจากความทุกข์คือไม่ใช่ทุกฟรีๆไม่ใช่เสียซัพยฟ ร, ฟรีแต่ว่าได้ได้ธรรมะคนเราเนี่ยนะคนฉลาดนี่เขาจะไม่ยอมทุกฟรีๆนะ ก็จะต้องหาประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นและความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันสอนธรรมะให้กับเราได้เสมอเมื่อสักประมาณสัก567ปีก่อนเนี่ยมีพี่หญิงคนหนึ่งนะเธอสวยมากเลยอ่าเรียนมาเทเลอรปี3ก็ได้เป็นดาวมหาเทเลอรนะแล้วก็เธอก็มีอาชีพเล็กๆน้อยๆเช่นไปเป็นพริตตี้ตาม ที่ต่างๆสมัยก่อนพิตี้เแต่งตัวเรียบร้อยนะไม่ไม่โชว์ชาว่าเหมือนสมัยนี้แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอเนี่ยเกิดไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นนีม่มีเฟซบุ o กนะ a c ซบุ o k นี่มันเริ่มแพร่หลายประมาณปี53 52แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหน่อยติดต่อไปติดต่อมาผู้ชายก็รับผู้หญิงคนนี้แล้วพอเจอกันนะผู้ชายก็ เหมือนกับปรงใจเช่ป่ะผู้หญิงเนี้ยก็รักเขาด้วยแต่พอเธอพูดให้เขารู้ว่าเธอไม่ได้มีใจให้เขาแบบนั้นผู้ชายโกโรธนะแล้วกโกโรธทไาไงทราบไฮะอาน้ำกรดสาดหน้าเสียโฉไม่หมดเลยนะเหลือแต่ตาตาข้างหนึ่งก็เสียคุณคิดดูนะคนที่เขาเคยภาคภูมิใจในหน้าตาของตัวในรูปร่างหน้าตาของตัวเนี่ยในความสวยงามงตัวเนี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยหน้านเนี่ยเละเนี้ย ก็อยากอยู่ไมครับไม่อยากตายแต่ว่าก็แตสชิดใจไม่เข้าตัวตายเพนึกถึงแม่แต่ก็อยู่ไม่ได้แล้วบ้านขอย้ายบ้านเพราะว่าทนไม่ได้ที่จะไปเห็นจะให้คนอื่นที่เคยเห็นเธอสวยงามเนี่ยมาพบเธอในสภาพที่หน้าตาดูหน้าดูไม่น่ารักเนี่ยเธอก็ย้ายบ้านไปที่อื่น ผ่านไปสามสี่ปีนะรากว่าเธอทำใจได้เธอไปทำงานเนี่ยเธอก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานงานของเธอคือว่าคือเป็นพนักงานค c เซ็นเตอร์ในธนาคารแห่งหนึ่งเธอไปทำงานจิ้มเทนเนี่ยเธอไม่ไม่ใส่หมวกไม่ปิดหน้าเลยนะใครมาทักเธอคุณชุกเค้กใช่ไหมคือเธอเคยออกรายการโทรทัศน์นะเธอก็ตอบเลยใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะใช่หม เธอไม่อายหน้าตาขงตัวของเธออีกต่อไปมีคนถามเธอว่าเธอแค้นเธอโกรธผู้ชายคนนั้นไหมที่สาดน้ํากรดใส่เธอเธอไม่โกรธเลยอยากจะขอบคุณเหตุการณ์นั้นได้วยซ้ำเธอบอกอยากจะขอบคุณเหตุการณ์นั้นนะเพราะมันทําให้เธอเนี่ยหนึ่งเธอบอกนะเหตุการณ์ถ้ามีคนดีกัเธอไงไรบ้างหนึ่งทำให้เธออยู่กับพ่อแม่มากขึ้นถ้าเธอถ้าเธอยังสวยอยู่เธอคงจะ อยู่ไม่ติดบ้านนะตามภาษาคนสวยที่มีคนอยากจะจีบก็ที่สองสำคัญกว่าเธอบอกมันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอบอกว่าแตกา่ก่อนเธอเนเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยชอบยึดติดมากเลยแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เธอได้เรียนรู้ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันทําให้เธอเนี่ยตระหนักว่าหน้าตาของเธอเนี่ยนะแม้มันไม่เสือ่อมไม่เสียวัน ตอนนี้มันก็เสื่อมเสียวันหน้าคือตอนแก่แต่เมื่อมันเกิดขึ้นตอนนี้มันทําให้เธอได้รู้จักปล่อยวางเธอได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางหน้าตาของเธอซึ่งมันทําให้เธอปล่อยวางเรื่องอื่นได้ง่ายขึ้นใครก็จะมองเธออย่างไรใครก็จะใครก็จะนึกถึงหน้าตาเธออน่างเธอไม่สนใครก็จะพูดกับเธออย่างไรเธอปล่อยวางได้ง่ายมากแล้วเธอเนี่ยกรณีเช่คนี้เห็นเลยนะว่า มันเตัวอย่างเว่าคนเราแม้แม้เจอทุกข์แบบนี้เนี่ยแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้หน้าเสียแต่ใจไม่เสียก็ได้และถามยังได้ประโยชน์จากการที่เสียโฉมก็คือได้เรียนรู้การปล่อยวางได้เห็นธรรมะว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงหน้าตานี้ก็ไม่เที่ยงคนบางคนเนี่ยนะแค่เป็นเสื้อผือให้ผมแตกปลายก็กิบไม่ได้หนไม่หรือใช่ไหมัช่ แต่เธอเนี่ยเสียโฉมเธอกับกินได้สบายเธอไม่ใครเราใหญ่เป็นใครมากกันนะใครที่มีความสุขมากกันคนที่นะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเป็นสิวนะกับคนที่กินอินนอนนอนอุ่ม ท, ทั้งที่ตาบอดเสียโฉมเสียโฉมแต่ใจไม่เสียทําได้นะเมื่อกายป่วยใจไม่ป่วยทําได้ ถ้าคนเราสามารถจะมีความสุขได้นะแม้ว่าร่างกายจะย่ําแยนะ่มันอยู่ที่ใจนะอะไรเกิดขึ้นกับเรานี้ไม่สําคัญแต่กับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรนะการทําใจสําคัญมากการวางใจเป็นสําคัญมากวางใจเช่นการมีสติมีสมาธิหรือการมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตรวมทั้งการรู้จักมองอะไรในแง่บวกรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์นี้สําคัญนะ อย่างเช่มาบอกว่าอย่าอย่าทุกฟรีฟรีความทุกมีประโยชน์มีกรณ์นึงนะเกิดที่ประเทศอังกฤษนะผู้ชายหนึ่งอายุประมาณสักหกสินะชื่อจอร์นโรเจอร์เนี่ยประมาณนี้นะวันหนึ่งก็จูงหมาอยู่หน้าบ้านนะประกาก็มีผู้หญิงคนหนึงเนี่ยวิ่งมาชนแกข้างหลังทีแรแกแกกว่าเพื่อนมาล้อนเล่นปรกากฏแกไม่รู้จักผู้วันนี้เลยพอแก ล, ล้มลงนะผู้หญิงที่ทำง า, านทราบไหมเอามีดเนี่ย สปาตาหรือมีทําครัวนี่นะจ้วงแทงเขาที่ขาที่แขนที่ลำตัว4ี่สิบแผลแล้วก็ทิ้งเข้าไปให้เขาตายนอนจมกองเลือดเก <c oughs> ินโชคดีนะมีคนเหตุการณ์ก็ช่วยพาเขาส่งโรงพยาบาลรอดตาย <c oughs> ไม่นานก็จับผู้หญิงคนนี้ได้ก็ได้พบความจริงว่าเนี่ยสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยเธอฆ่าคานมาแล้วเนี่ยสามคน แล้วก็อีกสามคนเนียบาดเจสาหาัสทั้งหกคนเนี่ยนะเธอไม่รู้จักเลยไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นอะไรเล ย, เลยนะแสดงว่าเธอเนี่ยคงเป็นปจิตโรคปรนะสาทคล้ายๆกับคงอาจจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่สารัตเมื่สองวันก่อนนะต่อมาก็มีนับข่าวไปสัมภาษณ์คุณลุงจอเนี่ยนะ ว่ตอนนี้จับโจรได้แล้วจับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วมีอะไรอยากจะบอกเธอไหมคุณลุงจอ น, นี่แกไม่โกรธเลยนะแล้วแกก็ไม่ได้บ่นกลั่นดาชะตากรรมเธอเขาก็เพียงแต่อยากจะบอกอยากจะถามผู้หญิงนี้ว่าทําไมถึงทํากับผลแบบนี้แค่อยากจะรู้ว่าทํากับผลแบบนี้ทําไมไม่มีน้ําเสียงของความโกรธและไม่มีน้ําเสียงของความทุกข์เลยแค่อยากจะรู้เท่านั้น นักขาก็ถามตอบว่าแล้วคุณรู้สึกอย่างไรเหตุชีวิตเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบ้างไหมแกบอกว่ามันทำให้ผมได้คิดนะว่าวันหนึ่งผมเดินอยู่บนถนนก็อาจจะมีรถวิ่งรถเมยวิ่งมาชนผมตายก็ได้อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่แน่นอนมันทำให้ผมได้คิดว่าเพราะฉะนั้นจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือทำสิ่งที่สุดตั้งแต่วันนี้ นะเพราะพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำอาตมาว่าเนี่ยแกได้ทำสองอย่างนะที่อาตมาพูดหนึ่งเมื่อเกิดเหตุร้ายเนี่ยก็รักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลดดาชะตา ก, กรรมซึ่งถ้าทำเนี่ยก็จะซ้ําเติมตัวเองทุกข์กายไม่พอซ้ําเติมให้ใจเป็นทุกข์ด้วยเขาที่สองเนี่ยเธอหาประโยชน์เขารู้จักหาประโยชน์จากมันก็คือมันได้เหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจเขาว่า พรุ่งนี้ก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทรีบทำความดีซะคุณเห็นไหมแม้กระทั่งแม้กระทั่งถูกจ้วงแทงเนี่ยสาสิบแผลส0สิบแผลเนี่ยนะแต่เขาก็ยังหาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้ก็คืออย่าประมาทกับชีวิตนะต้องเร่งทำความดีหรือทำสิ่งที่ดีสูงแต่วันนี้แต่ว่า เราปล่อยใจจมอยู่ความทุกซวยจริงๆนะเราทำอะไรกูทำความุตสาทําความดีทำไมถึงเจอแบบนี้เนี่ยเราก็ยิ่งแย่ใช่ไหมเราไม่ได้อะไรเลยกรณีอย่างเค้กแล้วก็คุณดูโรเจอมันชื่อเลย น, นะว่าแม้ว่าทุกแค่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาใจให้ไม่ทุกได้แล้วก็สามารถหาประโยชน์จากมันได้เสมอนะ เป็นมะเร็งก็สอนธรรมะให้กับเราได้นะหรือเป็นมะเร็งก็ทําให้เราได้คนพบธรรมะแต่หลายคนเนี่ยบอกว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งพอทําให้ได้มาพบธรรมะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ยังคงเอาแต่ทํางานหรือถ้าไม่เป็นมะเร็งก็อาแต่เที่ยวแต่พอรอดเป็นมะเร็งเนี่ยก็ทําให้อามาสนใจธรรมะพอมาสนใจธรรมะก็พบว่าได้รู้จักความสุขที่ประเสริฐกว่า ที่เคยรู้จักความสุขที่ใจความสุขจากการเห็นคุณค่าของชีวิตความสุขจากการทำสมาธิภาวนานะนั่นจะมีหลายคนบอกว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งนะธรรมะพูดเรื่องนี้ก็เพื่อเราตระหนักว่าไม่ว่าเราจะพยายามทำความดีแค่ไหนแม่ว่าเราจะมีความเพี้ยนมันเพียนเพียงใด มันป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็จริงอยู่มันทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็จะมีความทุกข์บางอย่างที่มันสามารถจะเล็ดรอดผ่านเข้ามาถึงตัวเราได้นะแต่ถ้าเราฝึกใจดีนะซึ่งฝึกใจนี้เรียกว่าภาวนานะฝึกจิตอย่างที่เอตมาเราว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันหรือเห็นความจริงของชีวิต ก็ทำให้เราไม่ทุกข์กับความกับทให้เราไม่ทุกเวลาที่เรามันลงนะแล้วถ้าเรารู้จักเจริญสติทำสมาธินะถึงแม้ว่าจะปวดกายยังไงใจไม่ปวดก็ได้นะปวดกายแต่ใจไม่ปวดทำได้นะนะถ้าเรารู้จักใช้สมาธิ คุณหมอเอามาราเคยเล่าว่าไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นหมอนะเป็นอาจารย์แพท ย, ย์อายุ40กว่าเป็นมะเร็งลาไปถึงกระดูกเลยยาเอาไม่อยู่นะขณะเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยโรงพยาบาล ท, ที่ดีสุดของประเทศเนี่ยยาเอาไม่อยู่มอร์ฟีนเนะี่ยหมอให้มอร์ฟีนทุกสามชั่วโมงแต่บอกไม่ไหวหมอขอสองชั่วโมงได้ไหมหมอให้ไม่ได้ต่อหลังเนี่ยขอทุกชั่วโมงเลยนะ ในใจหมอก็ควอจจะนึกนะทำไมถึงเกิดขึ้นกับเรานะัเราศรัทธาทำความดีชั่วความชั่วก็ไม่เคยทำนะคุณหมอมาเราไปเยี่ยมเนี่ยคุณหมอมาเราเมริลานะไปเยี่ยมเห็นแล้วก็สงสารจะช่วยคนไข้ก็เลยชวนทําสมาธิเคยทําสมาธิไหมแต่ว่าไม่เคยงั้นก็จะชวนทําช่วยสอนทําสมาธินะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทร คุณหมอมาแลนึกว่าคนไข้ทาได้ห้านาทีก็เก่งนะเขาปวดแล้วไม่เคยทำปรากว่าห้านาทีผ่านไปก็ยังนั่งก่อนนั่งนี่ลืมบอกไปนะคือแกนะนอนไม่ได้แกต้องนั่งนะแล้วงอะก่อกเงาะขิงเนี่ยเม็ดเหงื่อเป็นเหมืองเงื่อนี่ออกมาเป็นเม็ดเม็ดเลยปากซีดเนี่ย <c oughs> พอนั่งสมาธิไปเนี่ยห้านาทีก็ยังนั่งอยู่สิบนาทีก็ผ่านไปยิ่งนั่งก็ยิ่งดีตัวก็ยิ่งตรง เราก็แกนั่งถึงสี่สบ้านาทีนะพวกเรานี่ใครเคยนั่งสี่สิบห้านทีนะบางคนว่า โ, โอ้แคบแคบนั่งแค่สิบนาทีก็ไม่ไหวแล้วปวดใช่ไหม <c oughs> แต่นี่แกไม่ปวดแกไม่ปวดเมื่อยขานะมันเล็งเนี่ยมันมันกินแกเข้าในกระดูกนะมันมันมันเจ็บมันปวดยิ่งกว่าปวดเมื่อยขาเนี่ยเป็นร้อยเท่าแต่แกนั่งเนี่ยถึงสี่สิห้านาทีนะแล้วก็นั่งเสร็จนั่งแบบสบะนั่งนั่งแบบผ่อนคลายมาก พอนั่งเสร็จนะเปิดตาขึ้นมานะแกก็รู้สึกเบิกบาน เ, เหงื่อนี่หายปากเป็นสีชมพูเลยแกอศัศจรรย์มากนะว่าโอ้สมาธิที่มันมันดีขนาดนี้เฉลิมเนีมันดียิ่งกว่ามอฟินอีกนะคุณหมอไปรปับก็แปลกใจพราะแกไม่เทางสมาธิถามไปถามคุยไปคุยมากับวบเนะี่ยแกมีสมาธิกับงานแกมีสมาธิกับงาน สมาธิของานมาใช้กับการตามลมหายใจมันก็เรื่องเดียวกันแั่นสมาธินี่นะมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะสลัดหรือปล่อยวางความปวดได้มันทําให้เราลืมความปวดได้ความปวดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นนะความเจ็บปว่วยอยู่ที่ว่าแต่เจอเมื่อไหร่แล้วก็หนักหนาแค่ไหนมีเงินแค่ไหนก็บางทัานก็ช่วยระงับความปวดไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกจิตไว้ดีนะความปวดก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ทําแต่มันก็เบียดเบียนแต่กายแต่มันไม่สามารถจะเบียดเป็นจิตนะนั่นสมาธิเนี่ยเราควรฝึกเอาไว้บ้างนะอยู่ที่อยู่ที่นี่เราก็ฝึกสมาธิได้อยู่ที่บ้านแล้วก็ฝึกสมาธิได้อยู่บนรถแล้วก็ฝึกสมาธิได้หลับตาตามลมหายใจเข้าออกเวลาโกรธนะอย่าไปให้อย่าให้ความปวดมันเผาใจเรา ปวเพราะมีคนว่าเรามีคนใส่ร้ายเรามีคนดินทารเราช่างเขาเราจิตม่ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจย า, ยาวๆลมหายใจเนี่ยนะส่วนใหญ่คนเราทิ้งปล่อยทิ้งขวา้างแต่จริงเนี่ยในตัวเรามีสิ่งวิเศษอย่างหน่งอาตอมาเรียกว่าลมวิเศษนะลมวิเศษนี่นะมันทําได้ง่ายมากในระมิดได้ง่ายมากเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจ ถ้าเกิดเราหายใจแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวแต่เราลองเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจภาษาไทยนี่พูดถิมานใช้คำว่าใส่ใจใส่ใจเอาใจใส่ลงไปทําอะไรก็ตามถ้าเอาใจใส่ลงไปนะมันวิเศษอัตมาไปเพิ่งมาจากฮอนแลนนะก็มีโยมคนนึงเล่าวันเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยนนะมีร้านมีร้านอมาม่าเนี่ยร้านหนึ่งนะที่ ปุงอาหารอร่อยมากอะไรนะจะทําอะไรนะขาหมูเธอบอกว่าขาหมูล่านเนี่ยอร่อยมากวันหนึ่งก็เลยไปถามมาม่าว่าเนี่ยทำไงถึงปุงอาหารเได้อร่อยแกตอบว่าไงรู้ไหมใส่ใจใส่ใจลงไปเนีขาหมูกันของอร่อยขึ้นมาเลยเหมือนกันนะลมหายใจถ้าเราเอาใจใส่ลงไปนะมันกลายเป็นลมพิเศษลวิเศษเนี่ยคอยดับความโกรธในใจเราได้ มันเอาความเย็นไปหล่อเลี้ยงใจลมวิเศษเนี่ยสามารถจะพัดเอาความหนักอกหนักใจออกไปความหนักใจออกไปจากอกของเราได้รู้สึกบีบคัน้นรู้สึกน้อยนิดตั้งใจใช้ลมวิเศษเนี่ยปัดเป่าได้มีของดีอยู่แล้วในตัวเรานะมันดียิ่งกว่าเครื่องลางของขลังอีกยอดยิ่งกว่าน้ำมนต์ที่อาตมาพรหมให้พวกเราสิเนี้ยอตาตมาพรหมต้หมดให้ ชัว่วโมงนก็แห้งแล้ว น, นะแต่ลมพิเศษนี่อยู่กับตัวเราเนี่ยไปจนตายบวยเมื่อไหร่เจ็บเมื่อไหร่เอาใช้ลมพิเศษเนี่ยกระจัดความปวดออกไปจับใจเพอเพากายก็สบายด้วยอย่างคุณหมอคนนั้นนะเพราะวิทยาศาสตร์เยอมรับแล้วว่าพอใจจิสมาธินั้นมันจะส่งมันจะส่งมันจะสมองมันจะปล่อยปล่อยสารบางตัวออกมานะเอ็นโดฟินโดพามีในเสียเนี่ยนะทาให ความปวดระงับได้นะวันอย่าลืมน ะ, ะพยายามฝึกใจให้เราพบ ก, กับความสงบให้มีสมาธิเจอความทุกข์อะไรนี่กลับมาที่ลมหายใจก่อนนะแล้วความทุกข์ใจจะลดลงเพลเพลิลความทุกข์กายก็จะเบาลงไปด้วยอวาจามั์ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็ขออนุโ ม, มทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้นะแล้วก็ตั้งใจนะในการที่สมาทานศีล นะแล้วก็มาฟังธรรมะซึ่งเป็นมงคลงอันสูงสุดอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะท้ายสุดนี้เขา<ๆ>ขออ้างพุนภาษีรัตนาใจอำนวยเบรผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนะสุขาภลระขออยู่เย็นเป็นสุขมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมไม่เพียงแต่ละชัว่วทมดีแต่ว่ายัางสามารถที่จะรักษาใจให้สะอาดของแท้มีจิตที่ได้รับการภาวนาจนเกิดปัญญา สามารถพาเอจออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเธอเดี๋ยวจะพรมน้ำมนตนะ์ไหแล้วก็หรือจะถวายถวายชาติถวายตรงไหนฮะอ๋ออ๋ อ, อได้ได้ไดอ่้เดี๋ยวเดี๋ยว จะมีการแปลที่อัตมาพูดสักหน่อยนะเพราะมีอชอยสเตรลหลายคนที่ไม่อาจจะไม่รู้ว่าอัตมาพูดอะไร